เมื่อถึงเวลาตายซัพ์สมบัติสักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อความตายมาถึงไม่มีผู้ใดจะสามารถถนอมรักษาห่วงแหนทนุบำรุงร่างของตนไว้ได้แม้สมบัติพัสถานที่สแสวงหาไว้ระหว่างมีชีวิตจนเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยสุจริต ก, ก็ตามด้วยเล่ด้วยกลนก็ตาม เพื่อใช้ธนุถนอมรักษาเชื่อชูบำรุงร่างกายของตนก็ติดไปกับร่างไม่ได้เลยเป็นจริงดังพุทธศาสนสุภาษิตว่ารับสักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้ต้องปล่อยให้ร่างนั้นผุพังเน่าเปื่อยคืนสู่สภาพเดิมเป็นดินน้ำลมไฟประจาโลกต่อไปต้องตามพุทธศาสนสุภาษิตว่าไว สัตว์ทั้งปวงจกทอดทิ้งร่างไว้ในโลกกรรมไม่ดีของตนย่อมนำไปสู่ทุกขติผู้มีความเข้าใจว่าตายแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรสุขทุกอย่างไร เราไม่รับรู้ด้วยแล้วจึงไม่มีความหมายนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเป็นโมหะสำคัญก็ที่เราเกิดเป็นนั่นเป็นนี่กันในชาตินี้ทำไมเราจึงรู้สุกทุกข์ทั้งที่ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องชาติก่อนอย่างไรกุตศสสนิ ก, กชนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีชาติในอดีตและชาติในอนาคตเชื่อว่าก่อนจะมาเกิดในชาตินี้ ได้เคยเกิดชาติอื่นมาแล้วและจะต้องเกิดในชาติหน้าต่อไปอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติถ้ายัางทำกิเลสให้สิ้นไปไม่ได้แต่ทั้งที่เชื่อเช่นนั้นก็ยังมีเป็นอันมากที่มีโมหะหลงเข้าใจผิดอย่างยิ่งดังกล่าวแล้วว่าจบสิ้นความเป็นคนในชาตินี้แล้วเราก็ไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาติต่อไป เพราะฉะนั้นก็ต้องสำคัญที่ต้องสแสวงหาความสุขสมบูรณ์ให้ตนเองให้เต็มที่ในชาตินี้ผู้ใดมีโมหะหลงคิดผิดเช่นนี้ผู้นั้นก็จะสามารถทําความผิดร้ายแรงได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ตนทรยศคดโกงเบียดเบียนทําลายเขาแม้กระทั่งชีวิตก็ทําได้เป็นการสร้างกรรมที่จะให้ผลแก่ตนเองแน่นอน ตนจะต้องสวยผลสวยทุกขเวทนาทั้งโลกนี้และเมื่อละโลกนี้ไปแล้วตามกรรมของตนต้องตามพุทธภาษิตว่ากรรมของตนย่อมนำไปสู่ทุกขติชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขา เขาก็รักเช่นกันชีวิตใครใครก็รักชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็รักความตายเรากลัวความตายเขาก็กลัวของใครใครก็ห่วงของเราเราก็ห่วงของเขาเขาก็ห่วงจะรักจะโกงจะฆ่าจะทำร้ายใครสักคนขอให้นึกกลับ ก, กันเสียให้เห็นเขาเป็นเราเห็นเราเป็นเขา คือเขาเป็นผู้จะลักจะโกงจะฆ่าจะทำร้ายเราเราเป็นเขาผู้จะถูกลักถูกโกงถูกฆ่าถูกทำร้ายลองนึกเช่นนี้ให้เห็นชัดเจนและดูความรู้สึกของเราจะเห็นว่าที่เต็มไปด้วยโมหะนั้นจะเปลี่ยนเป็นเมตตาการุณาอย่างลึกซึง้ง ความโลภโดยไม่มีขอบเขตนั้นเป็นทุกข์หนักหนาข่าวผู้พยายามป้องกันสมบัติของตนจนเสียชีวิตนั้นน่าสลดสังเวชยิ่งนักหรือข่าวผู้แม้กำลังจะสิ้นชีวิตแล้วแต่ก็ยังพยายามกระเสือกกระสนรักษาสมบัติมีค่าของตนที่ติดตัวอยู่อย่างน่าสงสารที่สุด พบข่าวเหล่านี้เมื่อไหร่ขอให้คิดถึงใจคนเหล่านั้นอย่าคิดทําร้ายอย่าคิดเบียดเบียนกันเลยทุกคนจะต้องตายและจะตายในเวลาไม่นานคนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์จะทําทุกวิถีทางแม้ที่แสนชั่วช้าโหดร้ายเพื่อได้มาซึ่งทรัพย์ทําไมเล่าความโลภโดยไม่มีขอบเขตนั้นเป็นทุกข์หนักนักตนเองทุก เพราะความโลภอยากได้แล้วก็แผ่ความทุกข์เดือดร้อนไปถึงคนอื่นอย่างน่าอนาเนตอนาถถ้าร้อนเพราะอยากได้ไม่สิ้นสุดจะไม่สามารถดับความทุกข์นั้นได้ด้วยวิธีขโมยหรือประหัดประหารพลานชีวิตผู้ใดแต่จะดับทุกข์นั้นได้แน่นอนด้วยทํากิเลสให้หมดจดเท่านั้น การทำเหตุดีอย่างสุจริตไม่ว่าจะได้มาเล็กน้อยเพียงไรก็เป็นสิ่งที่ดีผลที่เป็นลาบยศสรรเสริญสุขนั้นมีใช่เป็นสิ่งที่ดีเสมอไปจะเป็นสิ่งที่ดีก็ต่อเมื่อได้มาเพราะการทำเหตุดีถ้าได้มาเพราะการทำเหตุไม่ดีลาบยศสรรเสริญสุขที่ได้มานั้นก็เป็นสิ่งไม่ดี ถ้าได้ลาบยศสรรเสริญสุขมาเพราะการโกงกินหลอกลวงเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะได้มามากมายใหญ่ยิ่งเพียงไหนก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีไปไม่ได้ถ้าได้มาเพราะการทำเหตุดีอย่างสดจริตไม่ว่าจะได้มาเล็กน้อยเพียงไรก็เป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นการรู้จักเหตุดีที่จะให้ผลดีเหตุไม่ดี ที่จะให้ผลไม่ดีจึงเป็นธรรมะสำคัญการทำเหตุไม่ดีผลที่ได้ก็จกเป็นผลไม่ดีการทำเหตุเพื่อให้ได้ผลมานั้นแม้เป็นผลที่ได้มาอย่างไม่ถูกไม่ชอบก็เป็นการทำเหตุไม่ดี และผลที่ได้ก็เป็นผลไม่ดีแน่นอนก็คือการให้ผลมาที่เหมือนเป็นผลดีจะทำให้เกิดผลร้ายแก่เจ้าตัวผู้กระทําเหตุไม่ดีผู้ที่สามารถทาเหตุไม่ดีจนได้ลาบมากมายยิ่งใหญ่ก็มีเป็นอันมากที่มีกิตติศัพท์ชื่อเสียงเน่าเหม็นเป็นที่น่าสลดสังเวชปรากฏอยู่ตลอดมาทั้งในประวัติศาสตร์ และแม้ในเหตุการณ์ปัจจุบันลาบยศได้มาแล้วหมดสิ้นไปแล้วพร้อมกับการจบสิ้นของชีวิตเป็นอย่างช้าแต่ความเสื่อมเสียยังปรากฏชัดเจนอยู่เช่นผู้ที่ทําเหตุไม่ดีไว้ในประวัติศาสตร์แม้ผู้ไม่ประสบพบผ่านเรื่องราวเหตุการณ์ด้วยตนเองเพราะเกิดหลังเป็นร้อยปีพันปีแต่ประวัติศาสตร์ ก็สามารถทำให้คนหลังเหตุการณ์แม้นานไกลเพียงใดรู้เรื่องราวได้ทั้งที่ดีและที่ชั่วการทำเหตุไม่ดีแม้ได้ผลเหมือนผลดีแต่จะเป็นผลร้ายอย่างยิ่งยืนนานอย่างยิ่ง ความดีและความชั่วถูกบันทึกไว้ยั่งยืนความรู้สึกยกย่องสนรเสริญอย่างจริงใจและความดูถูกสลดสังเวชจึงสามารถเกิดได้อยู่เสมอจึงกล่าวว่าการทำเหตุไม่ดีแม้ได้ผลเหมือนผลดีแต่จะเป็นผลร้ายอย่างยิ่งยืนนานอย่างยิ่ง